กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูร์อภิปุนโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะมาพูดในทุกๆครั้งท่านผู้ฟังจะไม่ได้มาชักชวนให้ท่านผู้ฟังไปลงทุนขายของซื้อหุ้นซื้อประกัน แต่จะเป็นเรื่องราวที่เป็นไปในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเวลาที่พระสงฆ์ไปพูดที่ไหนตรรมฝังให้คาดหวังไว้เลยว่าจะต้องได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้สอนไว้นั่นคือหน้าที่ของสาวกธรรมฝังผู้ฟังคําสอนฟังแล้วตัวเองปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบออ น, นี้ก็ดีแล้วแล้วก็ชักชวนให้คนอื่น ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยแม่นนี้มันดียิ่งกว่าดีแต่บวฟังได้ฟังทำแล้วตัวเองทําแล้วมากบ้างน้อยบ้างอันนั้นมันก็ดีแล้วชักชวนให้คนอื่นก็ทําด้วยกล่าวคุณของการกระทำอย่างนั้นด้วยแมนี้มันยิ่งดีก็ไป อ, อีกและในการกระทําการปฏิบัติการศึกษาเนี่ยแต่บวฟังคือสมัยปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ไม่อยู่แล้วเราจะ ทำการศึกษาให้เข้าใจบางทีก็ไม่รู้จะไปถามใครเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่ถ้าสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านยังอยู่ก็สามารถไปถามท่านได้ถ้าสมัยโบราณการเดินทางมันยากหน่อยอาจจะไปถามไม่ได้เขาก็จะถามครูอาจารย์ที่บอกเขาสอนเข้าในสมัยนั้นแต่ถ้าสมัยนี้การเดินทางมันสะดวกไปถามได้แต่จะถามใครเพราะ พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่อยู่แล้วก็ต้องถามพวกที่เขาศึกษามาก่อนเรียนมาก่อนในผู้ที่ศึกษามาก่อนเรียนมาก่อนก็เรียกว่าเป็นสาวกมามีการถามการศึกษากันเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์ธรรมบั ง, งกับพระเจ้าก็จะเปิดโอกาสนี่แหละให้ธรมฟังได้เขียนจดหมายมาถามหรือส่งคาถามกันเข้ามาได้ เพื่อเกิดความเข้าใจในคาสอนของพระพุทธเจ้านี้มากขึ้นคำสอนนี้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงดัมฝังไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะแบ่งแยกว่าพวกฉันพวกเธอาศาสนานี้าศาสนานั้นแต่เป็นคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อที่จะให้คนพ้นจากความทุกข์จุดประสงค์คืออย่างนี้ไม่ได้เป็นจุดประสงค์เพื่อที่จะล้มล้างลัทธิอื่นให้สิ้นไป ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะทําให้คนอื่นเขาเห็นว่าเราเป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ฉันดีกว่าเธอเธอดีไม่เท่าฉันคําสอนนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์อย่างนั้นวิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้านั้นนเปิดกว้างอยู่แล้วไม่ได้จะแบ่งแยกว่าเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แต่ถ้าใครยังมีผัสสะใครยังมีเวทนาเอาคุณยังไม่พน้นจากความทุกข์นะ เ, เราจะก้าวล่วงข้ามพ้นจุดนั้นได้อย่างไร ตัวนี้การปฏิบัติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากทุกผฟังจะปฏิบัติได้มันก็ต้องรู้อะไรบ้างนั่นสักอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการที่จะทาที่จะปฏิบัติได้ซึ่งในการเรียนรู้นั้นคำสอนเดิมที่ท่านได้บอกไว้สอนไว้เนี่ยก็เป็นภาษาบาลีจึงมีผู้ที่เขามีความรู้ในภาษาบาลีแปลมาเป็นภาษาไทยทำความเข้าใจในศัพท์ตรงนี้ความหมายตรงนั้น ในับับตรงนี้ที่มีความหมายแบบนั้นยังมีความหมายที่ลึกลงไปตรงนั้นอีกมันก็จะมีทั้งเรื่องของอัตถะและเรื่องของพยัญชนะนะอัตตะนี่หมายถึงความหมายนะบางทียกอุปมาอุปไมเช่นจำนวน500อย่างนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่ามีจำนวน500เป๊เป๊ะๆนะถ้าจะเอาแต่พยัญชนะมันก็จะผิดความหมายที่หมายถึงว่ามีจำนวนมากแต่อาจจะไม่ถึง500หรือเกิน500ไป เรื่องที่จะต้องมาทําความเข้าใจท่านโดยอัตตะเปลี่ยนชนะอย่างเนี้มันก็ยังมีอยู่และถ้าธรรมฟังมีคําถามข้อสงสัยในสิ่งใดดๆสามารถติดต่อกับทางข้าพเจ้าได้โดยส่งเป็นจดหมายแต่สะดวกทางจดหมายก็เข็ยนเป็นจดหมายหรือปริณนียบัตรกันมาได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกําเภอหนองหานจงังหวัด ดดานีรหัรสไรษณียก็41130หรือว่าตาสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhama.com puredhama.com อันนี้สามารถที่จะส่งคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าคำแนะนำต่างๆเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติเรื่องการปฏิบัติเรื่องที่จะแบ่งปัน การนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันสามารถที่จะสอบถามกันเามาได้แต่วันนี้เราก็มีคำถามที่มาจากคุณทิมคุณทิมได้โพสเกียนคำถามมาไว้มาในทางอินเทอรต์เน็ตที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com คุณทิมได้ถามว่าในปัจจุบันนี้มีกระแส ท, ที่เกี่ยวกับเรื่องของอัตถกาถาว่าเป็นสิ่งที่เติมแต่งขึ้นใหม่ มีความไม่น่าเชื่อถือในหลายๆกรณีจึงขอรบกวนให้ท่านพระอาจารย์ช่วยอธิบายถึงเรื่องเกี่ยวกับอัตคถ า, ภาว่ามีความเป็นมาอย่างไรควรทําการศึกษาเนื้อหาในส่วนนี้หรือไม่เรื่องอัตคถ า, ภาวันนี้ก็จะนํามาอธิบายให้ทําความเข้าใจกันเอาศัพท์คํานี้ก่อนท่านผู้ฟังอัถกถาแล้ก็มาจากสองศัพท์นี่แหละคือคําว่าอัตบวกกับคําว่ากถาอัตคาก็คือ ความหมายนั่นเองในการแสดงอัตตาการแสดงความหมายกถาก็ ค, คือถ้อยคําข้อความคําแถลงคําบรรยายอันนี้ก็เป็นกถาอย่างพระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งคําอธิบายของท่านคําแถลงของท่านก็เป็นกถาท่านพระสารีบุตรจะอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งคําพูดของท่านก็เป็นกถาก็เป็นถ้อยคําเป็นคําพูดคําบรรยายคําแถลงกันดังนั้นอัตตากถานี่ ชื่อมันก็บอกอยู่ชัดเจนไปเป้แล้วแต่ว่าหมายถึงถ้อยคาที่แสดงความหมายหรือคาบรรยายที่แสดงอัดถะทีนี้อัตถะของอะไรความหมายของอะไรต่ตรงจุดนี้ก็จึงต้องมีที่เป็นแม่บทที่เป็นแม่ของเจ้าตัวเนี้ยว่าเอาคุณอธิบายอะไรล่ะถ้าในทางคำสอนของพุท ธ, ธก็ต้องอธิบายสิ่งที่พุท ธ, ธสอนอธิบายสิ่งที่พุทธบัญญัต อธิบายสิ่งที่พุทธะแสดงอธิบายสิ่งที่พุทธะแต่งตั้งไวแต่บาบุตุเจ้าเนี่ยได้บัญญัติสแสดงแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทําให้เป็นของที่เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยศาสตร์ทั้งสี่ชั่วไม่กิริยาที่บอกว่าบัญญัติสแสดงแต่งตั้งเปิดเผยพวกนี้ เ, เป็นคําสอนที่บาปุตุเจ้าบอกไว้สอนไปละเพราะฉะนั้นอธากถาก็คือถ้อยคําที่สแสดงความหมายของคําสอนของพุทธะตรงนี้นต่มันก็จะตึงต้องมีแม่บท อันนี้เราเอาความหมายกว้างๆทั่วๆไปก่อนนะคำว่าอัตตะตาเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้ในที่นี้ในสมัยพุทธกาลตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เนี่ยก็มีคนมาถามคําถามพระพุทธเจ้าไปเทศให้พระราชามหากษาริย์ฟังเดินไปทางนั้นอ้าวคุยกับชาวนาตรงนี้หรือมีภิกษุมาถามคําถามเนี่ยท่านก็มีคําเทศบอกมีคําสอนบอกอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆในภิกษุในสมัยนั้นเขาก็ ติดตามเพื่อที่จะฟังคําสอนต่างๆเหล่านี้กันแล้วก็มาถามกันละเออวันนี้พระพุทธเจ้าเทศเรื่องอะไรเมื่อวานว่าไว้ยังไงณอาจารย์ที่เป็นรุ่นผู้ใหญ่เช่นท่านพระมหาสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะท่านพระมหากัจจานะหรือว่าครูบาอาจารย์ที่อยู่ในสมัยนั้นเนี่ยท่านได้ฟังมาอย่างนี้ท่านก็ไปบอกต่อลูกศิษย์ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะว่า ภิกษุเหล่านั้นบางทีก็ไม่ได้มีโอกาสไปพบพระพุทธเจ้าเราก็ตั้งศรัทธาฮิริโอตปะไว้ในภิกษุรูปนี้ที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราก็มีภิกษุหลายรูปที่ท่านนับถือท่านพระสารีบุตรเป็นครูบาอาจารย์เป็นบุคคลที่จะตั้งฮิริโอตปะเอาไว้แล้วก็มีอะไรก็สอบถามจากท่านพระสารีบุตรเป็นต้นแล้วก็มีมหาสาวกอื่นๆแล้วก็มาถามกันแล่วว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรอย่างไร บางทีไม่เข้าใจก็ถามคําถามว่าเอ๊ะตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรท่านพระสาริบุตรก็อธิบายให้การที่เช่นท่านพรัสสาริบุตรอธิบายให้พระมหากัจานะพระมหากาปินะพระมหากสปะท่านต่างๆเหล่าเนี้ยอธิบายให้ฟังเนี่ยก็เป็นถ้อยคําแถลงบรรยายความหมายที่พุทธศรสอนตรงนั้นหรือแม้แต่ตอนที่ท่านพระอัสสชิไปบินาบาบ ท่านพระสารีบุตรตอนนั้นยังไม่บวชมาสอบถามธรรมะกับท่านพระอาสชิเนี่ยท่านพระอาสชิก็กล่าวคถาเยธรรมะเนี่ยที่เราก็อาจจะคุ้นเคยกันนั่นก็เป็นอัตตกถ า, าจารย์องค์แรกเลยจะว่าอย่างนั้นก็ได้พบทเพยียนชนะที่ท่านพระอาสชีกล่าวก็ไม่เหมือนของพระพุทธเจ้าปเปะแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยรับรองบทเพียญชนะนั้นแต่ปริพาชกคนนั้นที่ภายหลังเป็นท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็ยังสามารถบรรลุโสดาบันได้ณนะที่นั้น จากอัตคดาาจารยงนั้นคือท่านพระอาสชิแต่ตอนนี้ก็เป็นอัตกด า, าแล้วนะในความหมายกว้างก็เป็นอย่างนี้แต่มีใช้มาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วทีนี้ในเรื่องของคําสอนของพุทธาเนี่ยสาวกในสมัยนั้นเขาก็พยายามที่จะรักษาคําสอนกันแพยายามที่จะรักษาคําสอนเพราะว่าเป็นคําสอนที่ดีมากๆใช่ไหมรักษารักษากันยังไงแต่ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการท่องจํา แล้วก็บอกกันปากต่อปากแล้วก็ใช้วิธีที่เรียกว่ามุขปาฐะนั่นคือการรักษาคําสอนด้วยการวิธีการท่องจําซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีการเขียนหนังสือแต่มีการมีตัวอักษรมีการลงอักษรอยู่แล้วแต่ยังบางทีพระราชาจะส่งสารแล้วก็เขียนเป็นจดหมายไปหรือว่ามีประกาศจากทางราชการหมายจากพวกนี้เขาก็มีการลงอักษรในพระไตรปิฎกเนี่ยยังได้ระบุถึง จนประเภทหนึ่งที่ทางราชการออกหมายจับอย่างเงี้ยคนแบบเนี้ยมาบวชไม่ได้เนี่ยแล้วก็ยังระบุถึงการลงอักษรที่มีหมายมีการบันทึกตรงนี้แต่แต่ทําไมคนในสมัยนั้นเขาถึงไม่ใช้วิธีการลงอักษรบันทึกลงเพื่อที่จะเป็นการรักษาคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นก็แปลว่าคุณภาพมันต่างกันตามฝังคือในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเขียนหนังสืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ต้องคัดลอกกันม า, นาจากต้นฉบับ แต่ยังไม่มีระบบการพิมพ์ซึ่งฉบับหนึ่งเนี่ยคุณสามารถพิมพ์ออกมาได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแต่สมัยนั้นยังไม่มีก็ต้องเป็นการคัดลอกแต่การคัดลอกก็ทีละใบทีละใบแต่พอคัดลอกทีหนึง่งมันก็ต้องมีจุดที่ผิดผิดมากบ้างผิดน้อยบ้างแต่ว่ามันมแีแม้ในปัจจุบันก็ตามเราทําหนังสือเนี่ยมันก็มีจุดที่ผิดจากต้นฉบับเราอาจจะคัดลอกมาไม่ดีพิมพ์ผิดบ้างอะไรบ้าง ยิ่งสมัยก่อนการแก้ไขมันยิ่งยากไม่เหมือนสมัยปัจจุบันคุณแค่กดดีลิทแล้วก็พิมพ์ออกมาใหม่มันก็ง่ายดีมันจะต่างกันเทคโนโลยมีมันต่างกันแล้วยังรวมถึงการที่จดบันทึกไว้เนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยก็จะทําให้บุคคลนั้นมีความประมาทและเขาจึงใช้วิธีที่เรียกว่าเป็นการท่องจำเอาในมีความแม่นยํามีคุณภาพดีกว่าที่เขียนลงเป็นบันทึกในเวลาศึกษาในสมัยก่อนนั้นเขาก็จะมีศัพท์่เรียกว่า การต่อหนังส mata, ือในการต่อหนังสือเนี่ยหมายความว่าคุณต้องไปท่องมาก่อนแต่คนะุณท่องมาก่อนว่าแม่แบบแม่บทตรงเนี้ยเขาว่าอย่างนี้นี้แต่คุณท่องไมา้ได้แล้วถึงก็มาเข้าห้องเรียนแต่ถ้ายังท่องไม่ได้อย่าเพิ่งมาแต่ท่องได้เสร็จแล้วมาแล้วก็มาอธิบายกันอนะตรงคําอธิบายอาจจะท่องได้ไม่เหมือนเป๊ะแต่ไม่เป็นไรแต่ตรงส่วนที่เป็นแม่แบบแม่บทนี่ต้องท่องให้ได้เหมือนเป๊ะอันนี้ก็เป็นการต่อหนังสือกันมา ในการสืบทอดโดยมุขปาฐะแล้วก็มีอันที่สองก็คือการสวดขึ้นพร้อมกันการสวดขึ้นพร้อมกันเนี่ยก็คือทุกคนกล่าวพร้อมกันแล้วก็จะรู้แหละว่าเอาคนนี้กล่าวผิดคนนี้กล่าวถูกเอาคนที่กล่าวผิดก็จําใหม่อาจจะมีการจดบันทึกเป็นการช่วยจําในครั้งแรกๆแต่พอจําได้แล้วการจดบันทึกนี่ก็ทิ้งไปและไม่เอาเป็นห hey. ล well, ักเพราะว่าถ้ามีบัน <zum> ท <gives them> ึกแล้วอาจจะมีที่ผิดพลาดในที่เขียนนั้นแล้วก็ทําให้เกิดความประมาทในการที่จะไม่ท่องจํา แล้เขาก็จึงใช้วิธีการท่องจำเนี่ยเป็นหลักเพราะว่ามีคุณภาพที่ดีกว่าเทคโนโลยีการลงอักษรในสมัยนั้นแต่กันในในสมัยนั้นนะเทคโนโลยีก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าในสมัยปัจจุบันเทคโนโลยีการเขียนการพิมพ์การลงอักษรเนี่ยมันดีขึ้นอันนี้เราเราแยกไว้ก่อนแต่ในสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นแลเขาก็จึงใช้สมองใช้ความจำเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มีคุณภาพดีกว่าทําให้คนไม่ประมาท ลองคิดดูทางบูฟังถ้ามีการจดบันทึกแล้วเนี่ยบางทีภิกษุก็จะประมาทไม่ท่องจําน่ยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําให้เพล้ยเพลินประพฤติย่อหย่อนแต่พอเขาห้ามว่าคุณห้ามบันทึกแตะคุณต้องท่องจําอย่างเดียวเนี่ยก็จึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทยพยายามที่จะท่องจําให้ได้น่ยในสมัยก่อนนั้นก็เป็นอย่างนี้ทีนี้พอมีการท่องจํามีการเรียนการสอนอย่างนี้แล้วเนี่ยพอมีคําสอนมากขึ้นมาขึ้นแล้วก็แบ่งกันช่วยจํา ในวัดนั้นสำนักนี้เอาชำนาญในเรื่องคําสอนแบบนี้ส่วนอีกวัดหนึ่งสำนักหนึ่งชำนาญในเรื่องพระสูตรอีกแบบหนึง่งแต่จะเป็นบทสนทนากับพวกปริภาชคเอาสำนักนี้เขาจําเก่งสอนดีพูดดีถ้าเป็นสอนกับพวกคารวาะก็ระเบิดีสำนักนี้เขาจําเก่งสอนเก่งพูดดีก็แบ่งๆกันไปอย่างนี้มีลักษณะของการช่วยกันสืบทอดรักษาคําสอน แต่ตรงที่สวดขึ้นพร้อมกันเนี่ยตัมวังตรงนี้จึงเป็นที่มาของการสังขยาณาแต่ซึ่งคำว่าสังขยานาเนี่ยเป็นพุทธพจน์ด้วยซ้ำแต่ตอนนั้นจุนทะสามเณร น, น, นาข่าวเรื่องการบรณภาพเสียชีวิตของเจ้าลัตทีอีกรัตทีหนึ่งแล้วเราก็มีการแตกกันในลัตทินั้นก็เลยนําข่าวเรื่องนี้มาบอกพระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายว่าของพระองค์เนี่ยมันดียังไงแตกต่างกันยังไงจนไปถึงจุดหนึ่งอันนี้ข้อมูลอยู่ใน ภาษาที่กัดสูตรในทีฆานิไกนักธรรมุฟังสนใจไปหาอ่านก็ได้ตรงช่วงกลางๆค่อนมาทางท้ายของพระสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าจะพูดถึงการสังขยนาซึ่งความหมายในสมัยนั้นกับความหมายในสมัยนี้ต่างกันนะความหมายในสมัยนั้นก็คือว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มีการสอบสวนกันว่าอบทเพียญชนะนี้นะมีความหมายแบบนี้นะตรงกันแล้วก็สังขยนาคือสวดขึ้นพร้อมกันให้มีความเข้าใจ ตรงกันละ ว, ว่าบทเพียรชนะเป็นยิ่งนี้อัตถะเป็นอย่างนี้แล้วก็สวดขึ้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นอัตถกถาเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแต่บางทีตัวพระองค์เองพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นอัตถกาดาเองแต่เพราะว่าบางทีภิกษุก็ไปถามพระพุทธเจ้าตรัสคาถานี้มาเนี่ยคำพูดนี้มาโดยย่อๆแล้วไม่ได้อธิบายโดยรายละเอียดภิกษุคนนี้เขาทราบภายหลังเขาก็มาถามว่า ที่พระพุทธเจ้าตรัส ว, ว่าย่อๆเงี้ยยายาว่าอย่างไงแต่ท่านก็มีกาถาอธิบายความหมายของสิ่งที่ท่านได้บอกใบสอนมาเองคุรบาอาจารย์องค์อื่นที่เรียนมารู้มามาก่อนอย่างเงี้ย่นพระสารีบุตรท่านพระมหาคัจจ า, านะเรียนมารู้มาเรื่องขันห้าเรื่องอายตนะหกภิกษุบทใหม่เอาได้ฟังคำนี้มาเอา๊ะหมายความว่ายังไงเอาไปถามคุบาอาจารย์ก็มีการถาอธิบาย คําสอนที่เป็นบัญญัติต่างๆเหล่านี้มาแตจุดนี้เริ่มมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลละแล้วก็การรักษาคําสอนเนี่ยก็รักษาพร้อมทั้งกับส่วนที่เป็นพุทธพจน์และอัตถกถานั้นก็ด้วยกันนั่นเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไวช้ชัดเจนในปาษาทิ่กัสูเนี่ยว่ามีส่วนทั้งที่เป็นพยัญชนะมีส่วนทั้งที่ทเป็นอาาัตถะเข้าใจตรงกันแล้วก็สังคายนานะคือสวดขึ้นพร้อมกันทีนี้ส่วนที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยเขาต้องออกเป๊ะๆ เ, เลยนะคุณผิดแม้แต่คําเดียวไม่ได้ ส่วนที่เป็นคําอธิบายก็อาจะมีการคลาดเคลื่อนได้บ้างอันนี้เป็นส ม, มุดิฐานของข้าพเจ้านะเพราะข้อมูลที่เขาระบุมาในการสังเกนาแต่ละครั้งเนี่ยครั้งที่1และครั้งที่2อเนี่ยมีข้อมูลน้อยมากแต่เขาไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องของอัตคาตาเท่าไหร่ทำให้ข้าพเจ้าสันนิษฐาน ว, าว่าเขาอาจจะไม่เน้นตรงนั้นแต่จะมาเน้นส่วนที่เป็นพุทธพจน์เดิมเนี่ยไว้มากทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดระบุว่าแบ่งเป็นพระไตรปิฎกหรือ ย, ยัง เพราะว่าคําที่ใช้ในสมัยนั้นก็ยังใช้คําว่าธรรมและวินัยทีนี้พอพระพุทธเจ้าบริณิพานไปแล้วแก็มีการสังคยนาครั้งที่หนึ่งที่ที่เราจะเคยทราบๆกันว่ามีหลวงตาคนหนึ่งที่มากับท่านพระมาหาเกสรปะตอนที่จะตบายเพลิงมีการปรารบขึ้นมาว่าเออดีละพระพุทธเจ้าบริณิพานไม่ต้องมีคนมาคอยจ้าที่จ้ชัชยพูดมาในลักษณะนี้อันนี้คือโดยอัถฐนะปะัญชนอาจจะไม่เหมือน แต่ความหมายประมาณนี้แต่ก็เลยเป็นต้นเหตุของการสังคยนาครั้งที่หนึ่งแต่ซึ่งการสังคายนาครั้งที่หนึ่งตัวนั้นคือการสวดขึ้นพร้อมกันอย่างนี้แหละอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนําไว้ในปาสาธิกัสูตรแต่ตัวนั้นก็เป็นการใกล้ปรินิพัทธ์ละท่านพระมาหากัสปะก็จึงเอาเหตุเนี้ยมาใช้ในการทําสังคยนาครั้งที่1นึ่งราเรียกคงจะทราบกันว่ามีท่านพระบาลีท่านพระอนนท์พูดในเรื่อง วินยัยเรื่องธรรมะต่างๆกันไปแล้วก็มีการสังคานาครั้งที่สองในพศประมาณ100นะ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าป ร, รินิพพานไปแล้วแล้วก็มีเหตุเรื่องการประพฤติยอดย่อนในเรื่องวินัยอะไรต่างๆตัว อ, อีกครั้งหนึ่งนะสังคายนาเนี่ยหมายถึงไม่ใช่มาชำระแก้ไขปรับปรุงนะั่นไม่ใช่นั่นะไม่ใช่ความหมายที่เราใช้ในปัจจุบันิคุณจะบอกว่ามาสังคายนารัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้นนไม่ใช่ แต่ว่าสังกยนาเนี่ยคือมาตกลงให้มันเหมือนๆกันแล้วก็อาทําความเข้าใจพ ร, ร้อมกันสวดขึ้นพ ร, ร้อมกันแล้วก็มีความเข้าใจลงตรงกันตรงนี้ครั้งที่2องเขาก็ทําอย่างนี้ครั้งที่3ามเขาก็ทําอย่างนี้แต่ซึ่งการที่3เนี่ยก็สมัยของพระเจ้าอาโศกประมาณพศ200ร้อยกว่าๆแต่ตรงนี้ก็มีหลักฐานระบุชัดเจนว่ า, ราพระภิกษทุที่ชื่อโมคคลีบุตรแต่นได้แต่งคัมภีร์อันหนึ่งที่ชื่อว่าคำพี์คาถาวัตถุขึ้นอยู่ในชุดของคําสอนตรงนี้ด้วย ซึ่งกั บ, บีนี้เป็นหนึ่งในส่วนที่เป็นพระอภิธรรมแต่ว่าในสองครั้งแรกเนี่ยท่านไม่ได้ระบุไว้โดยละเอียดคือพูดไว้อยู่แต่ว่าสั้นๆเยาะๆเพราะฉะนั้นในรายละเอียดที่ว่าท่านแบ่งเป็นสามปิดกหรือยังมีคัมภี์ส่วนไหนแบ่งเป็นสั้นยาวกลางหรือไม่เนี่ยอันนี้ในสองครั้งแรกเราไม่รู้เลยแต่ว่าในอัตขตาที่ท่านอธิบายไว้ในชั้นหลงัลงๆท่านบอกว่ามีมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วและในอัตขถาเนี่ยก็มีอีกหลายจุดตัมืฟังที่จะอธิบายคําศัพท์ บอกว่าสัพท์คำนี้โหในพจนานุกรมมันไม่มีเอแล้วเราจะแปล ย, ยังไงนะตักถาก็มาอธิบายไว้ว่าศับคำนี้หมายถึ ง, งนี้ต้องแปลยอย่างนี้เพราะเห็นนี้เหตุนี้มันก็มีตักขาตรงนี้มาช่วยบอกเอาไว้ทีนี้เรื่องราวมันลำดับกันมาเป็นอย่างนี้นะจนกระทั่งธรรมบาชตรงนี้สําคัญว่าพอพระเจ้าเอาโศกสังเกตนาะครั้งที่สมแล้วก็ส่งธรรมทูตไปแต่ตอนนั้นยังไม่มีการลงอักษรนะจาเอาไว้เฉยๆแล้วจำแล้วที่แต่งเป็นคำบีทํำยังไง ก็จำคำพีรนั่นแหละเอาท่านทำยังไงใช้มุกปาฐะมีการต่อหนังสือนะจำให้ได้จำให้ได้ต่อหนังสือเราก็จำไปอาจจะมีการลงอักษรในการช่วยจำบ้างในครั้งแรกๆแต่การสืบทอดต่อคําสอนในสมัยนั้นยังเป็นการใช้ปากต่อปากอยู่นะต้องจำกันอยู่จนกระทั่งมีธรรมทูต ท, ที่ไปประเทศลังกานะไปถึงเมืองลังกากนะ็เป็นลูกของพระเจ้าอาโศกด้วยไปด้วยแล้วพอไปถึงเมืองลังกาแล้ว ทนั่นเขาพูดภาษาสิงหลไตงตะบูฟังก็ไม่ได้พูดภาษาบาลีก็ไม่ได้พูดภาษามคตนะพอมารู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าพูดว่าอย่างนี้นเป็นภาษาบาลีใช่ไหมเออแล้สิงห์ผลว่าไงเขาก็มีการแปลกันเอาละไอ้ที่แปลมาเป็นภาษาสิงหลเนี่ยหมายความว่าไงเขาก็ต้องมาดูอัตคัตถากันแตาอ๋อหมายความว่าอย่างนี้อย่งน้เขาก็แปลอัตคัถาตรงนั้นเป็นภาษ า, าสิงหลด้วยเนื่องจาะอัตคัถาเดิมเนี่ยก็เป็นภาษาบาลีมาใช่ไหมเขาก็ต<ๆ>้องแปลอัตค<ๆ>ัตถาตรงนี้ที่คู่กันกับพุทธบุตรตรง มาเป็นภาษาสิงห์หนุ่ยนี้การรักษาคําสอนก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่มีการท่องจํำปากต่อปากทั้งส่วนที่เป็นตัวบทเดิมแม่บทเดิมที่เป็นพระไตรปิฎกเดิมแล้วก็ส่วนที่เป็นคําอธิบายก็ต้องเป็นภาษาสิงห์หนุ่ยเพราะลูกหลานที่ลังกาเนี่ยก็พูดภาษาสิงห์หนุ่ยกันก็ไปมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงประมาณพศ400กว่ า, ก, วาวก็มีสภาวะสงครามเดี๋ยที่อินเดียตอนใต้พวกชาตมิน มาบุกตีเกาะลังกาในสภาวะสมัยนั้นก็ล่อแหลมมากนะซึ่งหลังจากประมาณพศ 200-300 ไปเรื่อยๆเนี่ยคำสอนในที่ประเทศอินเดียก็เริ่มเสื่อมละปริศนาในอินเดียก็เริ่มเสื่อมมาจนเสื่อมมากๆเลยพศ .600 จนกระทั่งเสื่อมไปหมดเลยเนี่ยพศหน0่หาไม่เจอเลยอันนี้คือทางอินเดียเป็นอย่างนี้แต่ที่เกาะลังกาเนี่ยประมาณพศ .400 ร้อยกว่ า, ก, ว า, ก, วาก็มีภาวาสงครามแทำยังไงละ่ะพิจูตสมัยนั้น ก็ลดน้อยลงบ้านเมืองมีปัญหาก็ตัดใจนะั้นลงอักษรบันทึกเก็บเอาไว้เนี่ยเพราะว่าถึงแม้ว่าการลงอักษรมันอาจจะคุณภาพมีข้อผิดพลาดอาจจะดีไม่เท่าการท่องจําแต่เมื่อสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจก็ต้องเอาสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจน้อยกว่ามาช่วยนั่นคือการลงอักษรแต่มีการบันทึกมาก็จึงเริ่มมีการเขียนเป็นคมภีร์ตัวนี้เขียนเป็นคมภีร์ตัวบทเดิมนี่เขาต้อง บันทึกเอาไว้เลยเป็นภาษาบาลีนะด้วย อ, อักษรสิงห์นและก็มีบันทึกเอาไว้ส่วนที่เป็นอัตกถาเดิมแลนะที่มาตั้งแต่สมัยโน้นเนี่ยเขาก็บันทึกเอาไว้แนตะ่ทีนี้ส่วนนี้แหละที่ว่าพอมาเป็นภาษาสิงหนด้วยความที่อาจจะมีเวลาน้อยแตนะ่ตรงส่วนนี้ก็เลยบันทึกเป็นภาษาสิงหนแปลเรียบร้อยแตนะ่ไม่ได้มีต้นฉบับเดิมที่เป็นภาษาบาลีอยู่นะพอสงครามหมดไป สถานรรการณ์ดีขึ้นบ้านเมืองเจริญขึ้นาศาสนาก็เจริญตามแล้วก็มีการอธิบายขยายความบทพุทธพจน์ตรงนั้นเพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้ก็เพิ่มเป็นอัตตกคถาไปเพิ่มเติมเป็นอัตตะถาไปแพอบ้านเมืองเจริญขึ้นสภาวะของวรรณกรรมก็เข้ามาแล้วก็มองวรรณกรรมในต้องุฟังเนื่อหมายว่ามันจะต้องแบบแต่งให้มัน ร, รื่อสวยงามอลังการเนี่มีกาบกราดอะไรต่างๆเข้ามาแลทีนี้ แล้วก็จึมีการอธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาและถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นมีนิยายพื้นบ้านของพวกลังกาต่อต่อกันมาตรงนี้เป็นชวนที่เป็นอัตกราแล้วนะอัตกระาละเพิ่มเติมขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาก็อยู่ในอัตกราชุดเดิมนั่นแหละเป็นคมภีนั้นเป็นคมภีรนี้ตัวนี้เป็นภาษาสิงหลหมดละเป็นภาษาสิงห์หมดละไม่มีภาษาบาลีภาษามคตเหลืออยู่แล้วแตภาษาบาลีภาษามคตก็เหลืออยู่เฉพาะตัวแม่บทเดิมที่เป็นพระสูตรเดิมที่อยู่ในพระไตรปิฎก เน่ยตรงนี้คํานี้คราพเจ้าจะใช้คาว่าพระไตรปิฎกเนี่ซึ่งเป็นแม่บทเดิมตรงนั้นแล้วก็มีคัมภีร์ต่างๆที่เสริมเข้ามาเสริมเข้ามาเพื่อที่จะอธิบายแม่บทตรงนั้นซึ่งกคำอธิบายส่วนนี้บางทีก็ขัดกันมีอยู่แต่บางทีท่านก็จะพูดถึงว่าอาจารย์องค์นั้นอธิบายตรงส่วนนี้ว่ายอย่างงี้แต่มันไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นอย่างนี้เขาก็จะมีระบุไว้ในอัตขถาตรงนี้นักฟังเริ่มเห็นภาพแล้วนะแล้วพอมีสภาวะความเป็นวรรณกรรมเข้ามาเนี่ยก็จะมีนิทานพื้นบ้าน เรื่องของแบบอิทธิปาฏิหาริย์อะไรต่างๆเข้าม า, มากเนี่ยเติมเป็นวรรณกรรมเพื่อเรียกให้คนมานับถือแต่ว่าอิทธิปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในตัวพระสูตรเดิมเนี่ยที่มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์เพื่อที่จะปราบทิฐิคนแล้วก็มาจบลงที่ว่าเออฤทธิ์นี้มันไม่ดีนะไม่ถูกนะแต่อนุสาสนีปาฏิหาริย์นี่ถึงจะดีถึงจะถูกะจะเป็นมาในลักษณะนั้น อันนี้คือที่อยู่ในตัวพระสูตรแม่บทเดิมแต่พอในส่วนอัตตกถาเนี่ยจะเป็นเรื่องแนวทํานองแสดงปาฏิหาริย์เรียกให้คนนับถือหรือว่าการบรร ล, ลุธรรมเทศทีเดียวบรร ล, ลุพันคนหมื่นคนอันนี้ก็จะเพิ่มเติมมาในตรงจุดนี้ตรงนี้เป็นภาษาสิงห์ผลหมดแล้วนะเป็นภาษาสิงห์ผลบาลีเดิมเขายังรักษากันอยู่นี่มันดีตรงนี้ในครูบาอาจารย์สมัยเดิมเนี่ยท่านฉลาดตรงนี้ทีนี้ย้อนกลับมาที่อินเดีย ต, ตั้งแต่สมัย หลังจากพระเจ้าอาโศกทาการสังฆทานแล้วมีคนปลอมบวชมาใช่ไหมท่านจึงจทําการสังฆยานานี่พอหมดสมัยพระเจ้าอาโศกพวกปลอมบวชนี่ก็ยังมาอยู่หนึงเป็นเหมือนกับโจรมาคอยปล้นคอยขโมยศาสนาคําสอนนี่ก็เสื่อมลงเสื่อมลงแต่ว่ายังมีบาลีเดิมอยู่นะบาลีเดิมเป็นแม่บทเดิมเนี่มีอยู่อัตถกาถาเดิมก็ยังมีอยู่แต่น้อยอันนี้เป็นภาษาบาลีภาษามาคดล้นะทีนี้พอมาถึงพศประมาณ900มีภิกษุที่ชื่อโคสะ เกิดขึ้นมาแล้วก็มาบวชแล้วก็ศึกษาคำสอนต่างๆก็ได้แต่งหนังสือเพื่อที่จะอธิบายบาลีตรงนี้เอาไว้แต่ซึ่งลักษณะการที่พระภิกษุที่ชื่อโคสระมาทําคําอธิบายบาลีตรงนั้นเอาไว้เนี่ยอาจารย์ของท่านเห็นแล้วก็เลยบอกโอ้หนี่คุณทําดีนะอธิบายส่วนนี้เอาไว้มันเข้าใจยากอธิบายไวด้ดีแต่ว่าถ้าท่านจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคําอธิบายอะไรต่างๆเนี่ยอาจารยก็าเนี่ยต้องไปที่ลังกาโน่นนะเพราะที่นี่ของเราแย่แล้ว ศาสนาเสื่อมแล้วคําสอนตรงนี้มีน้อยมากก็ทําให้พระโคสะนี่ไปที่หลังกาตมบูหวังแตนะ่พระโคสะนี่ก็คือพระพุทธโคสะจารย์นั่นแหละท่านไปถึงที่หลังกาแล้วเนีเจอคำภีที่เป็นภาษาสิงหน์นที่เป็นอัตถกถาเนี่ยโอ้หลายเล่มมากมายมหาอัตถกถาคำภีชื่อนั้นชื่อนี้ที่อธิบายส่วนของวินัยบ้างส่วนของพระสูตรต่างๆบ้างแตนะ่ท่านก็ พอไปถึงที่นู่นก็ต้องถูกทดสอบใช่ไหมคุณเป็นใครมาจากไหนจะแปลสิงห์ผลกับเป็นมคตรคนะพอผ่านการทดสอบต่างๆในปททดสอบเนี่ยก็จึงได้เป็นคำพีที่ชีวะิสุทธิมากมาเล่มหนึ่งนะท่านก็เรียบเรียงมาทีนี้ตอนแปล ى, นะแปลอัตถกถาสิงห์ผลกลับมาเป็นภาษาบาลีท่านแปลแบบเรียบเรียงนะแปลแบบเรียบเรียงนี่ก็คือว่าคือไม่ได้แปลตรงเป๊ะ เล่มนี้เป็นเล่มนี้ตรงๆทุกเล่มทุกตัวอักษรไม่เป็นอย่างนั้นแต่บันทีแปลเรียบเรียงโดยโดยโมีโครงร่างของมหาอัตกตานี่ทั้งหมดเป็นสิงห์นนะแล้วก็เอาส่วนวินัยมาเติมส่วนนิทานมาเติมอาจจบมาแปลเอามากลับเป็นภาษาะมะคตคือภาษาบาลีตัวนี้ก็เริ่มยุคของอัตคตาและตะวังประมาณพศ .1,000 งพันนั่นพูดกันง่ายๆเอาตัวเลขกลมๆประมาณพศ1000งท่านพุทธโกษาจารย์นี่ทําได้มากอาจจะมีพิกษุรูปอื่นๆ ช่วยบ้างอะไรบ้างแต่ตรงนี้จึงเป็นที่มาของคำว่าอัตคาถาเดี๋ยวเริ่มเป็นยุคละเพราะว่าคําสอนที่เป็นคําอธิบายตรงนี้มันมากขึ้นมากขึ้นแต่พอมากขึ้นแล้วก็ต้องมีการจัดระบบระเบียบแต่พอมีการจัดระบบระเบียบก็จึงเป็นอัตคาถายุคของอัตคาถาขึ้นมาเขา ก, ก็เรียกอัตคาถาเดิมเนี่ยว่าโบราณกาอัตคาถาคืออัตคาถาเดิมโบราณขึ้นมาตรงนั้นแต่ตรงนี้ก็จึงเป็นคำภีร์ที่เราเอามาใช้อยู่ในปัจจุบันไล่มาละ ตั้งแต่การสังเกตนาครั้งที่5ที่ประเทศลังกาตรงนั้นแปลกลับมาตรงนี้แต่ละประเทศก็ออกไปใช้และแต่ละประเทศที่เอาไปใช้เนี่ยไม่เหมือนกันอีกทําให้นักวิชาการสมัยปัจจุบันเขาก็จะแบบเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ศึกษาใช่ไหมเขาจึงแบ่งว่าอ๋อพวกนี้ที่ใช้อย่างนี้มาเนี่ยก็เรียกเขาว่าเทรวาตพวกนั้นที่ใช้อีกอย่างนึงมาเนี่ยก็เรียกว่ามหายาณอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้นักวิชาการเขาวิเคราะห์ง่ายเขาก็เลยเรียกกันมา ตรงส่วนที่เป็นมหายานกําบีตรงนั้นเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากตั้งแต่การสังคยนานครั้งที่สองเนะที่มีภิกษุพวกที่ไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยนะจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกนั่นแหละที่พ ร, ระมหากัสปะเรียกภิกษุบางส่วนมาร่วมสังคยนานเนี่ยก็มีภิกษุที่ไม่ได้เข้าร่วมก็เยอะเนะ้อพวกนี้เขาก็ไปทําสังคยาของเขานะืก็เรียกว่าการสังคยนานนอกถ้าภิกษุพวกนั้นก็เยอะกว่าด้วยแล้วนะก็กเรียกว่าเป็นมหาสัง ก, นะกีกะเนื้อจึงเป็นดีมาของมหายาน มีส่วนที่เป็นอภิธรรมด้วยอะไรด้วยนั่นก็จึงเป็นที่มาของส่วนที่เป็นมหายานส่วนที่เป็นเถรวาสส่วนที่เป็นอัตตะขาในเทรวาสต่างๆเหล่านี้ดังนั้นตรงนี้เราเข้าใจแล้วนะสรุปว่าอัตตะขาเนี่ยคือถ้อยคําที่อธิบายความของพุทธพจน์ตรงนั้นอันนี้มันชัดเจนแน่นอนมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วมีการพัฒนาการวิวัฒนาการมาเติมเข้ามาในส่วนที่เป็นของลังกา เป็นภาษาสิงห์โนแปลกลับมาเป็นภาษาบาลีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นอัตถกาถาเนี่ยจะมีข้อมูลที่ยํากันอยู่เยอะแต่ยํากันอยู่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนู้นจนถึงลังกานี้ตั้งพันปีตามบุฟังเพราะฉะนั้นเราดูอ่านเนี่ยเราต้องรู้จักแยกแยะอย่าเหมาอย่าเหมาวรวมซึ่งถ้าพอเหมาวรวมแล้วมันจะเกิดปัญหาอย่างครูบาอาจารย์บางท่านบางจุดไปอ่านอัตถกถาเจอจุดนี้โอ้ยมันอธิบายไม่ถูก อธิบายไม่เข้าใจเนี่ก็เลยเอาตรงเนี้มาพูดขึ้นแพอมาพูดขึ้นคนก็ดราม่ากันไปก็เลยจึงเป็นกระแสแพอมีการดราม่าเนี่ยท่านผฟังมันก็จะเป็นกระแสขึ้นมาแล้วโอ้อตระกูลไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นั้นเลวไรลไม่น่าไว้ใจอิทธิปาฏิหาริยเลยจนเป็นเรื่องที่ด่าไปตีไปแล้วก็เป็นจุดๆนั้นใน แ, แต่ส่วนที่มีประโยชน์ก็มีเช่นอธิบายให้เข้าใจถึงบริบทในสมัยนั้น อธิบายคำศัพท์พวกนี้ก็มีเป็นข้อมูลที่อยู่ในอัตตกถานในธรรมุฝังมันมีอะไรปนอยู่เยอะแยะเราอย่าเหมาเราต้องรู้จักแยกแยกให้ดนะีข้อมูลที่เป็นคำศัพท์ก็มีเรื่องเดิมบริบทเดิมก็มีการบรรลุธรรมเรื่องที่เราสืบต่อกันมานิทานอิทธิปาฏิหารเรื่องแทรกอะไรมีหมดอะเราอย่าตีกลุ่มแต่ให้รู้จักแยกแยกให้จัดีคุณกรว่าอาจารย์บางท่านเช่นหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ย ท่านอาจจะเอาปางประเด็นตรงนั้นตรงนี้มาพูดเนี่ยอันนั้นคือจุดนั้นอันนั้นคือประเด็นนั้นในที่ท่านเห็นว่าเออนี่มีข้อที่ไม่ถูกต้องนะไม่เหมือนกันนะท่านก็จึงเอามาพูดมาบอกให้ทราบแต่ท่านหลวงพ่อพุทธทาดเองท่านก็เห็นด้วยกับอัตถคตาทั้งเยอะแยะแต่จุดที่ท่านเอาความหมายของอัตถคตามาใช้จุดที่ท่านใช้คําอธิบายของอัตถคตาก็มีอยู่หลายจุดในการเทศของดัน่นแต่เราเป้นคนฟังเราต้องรู้จักแยกแยะอย่าไปเหมารวม เราจะเข้าใจความได้ส่วนไหนที่เป็นประโยชน์เราก็เอาไปใช้ส่วนไหนที่ไม่เป็นประโยชน์อาจจะมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันไม่น่าไว้ใจอนนันเราก็ไม่ต้องออกมาใช้ให้รู้จักแยกแยะคือถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้ไม่น่าไว้ใจมันน่าจะผิดก็เลยเมาว่าผิดทั้งหมดอันนี้อย่าไปเข้าใจอย่า ง, ง น, นั้นเพราะว่าประวัติศาสตร์มันมาเป็นอย่างนี้แต่เราต้องรู้จักแยกแยะถึงแม้พวกที่เขาบอกว่าเขาจะไม่เอาอัตกถาเลยเนี่ยเขาเหม า, เาไปเลยเนี่ย เขาก็ไม่รู้ตัวอยู่ดีว่าเขาก็อ้างอัตรกรานั่นแหละเพราะว่าคนที่เขาแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยตัง้งบริวังเขาก็แปลตามนัยยะของอัตรกระธาน่ะสับบางสัท์ผู้แปลไม่รู้ว่าจะแปลอย่างไรแล้วก็ต้องมาเปิดดูอัตรกราว่าอัตรกระธาไขความวไว้อย่างไรก็ต้องแปลกลับไปเป็นอย่างนั้นพอดีอ่านพระไตรปิฎกภาษาไทยก็คืออ่านสิ่งที่อัตรกระธอาจารย์แปลนั่นแหละแล้ท่านก็เอาความหมายมาจากอัตรกระานั่นแหละก็คือใช้อัตรกระธา โดยที่ตัวเองอาจจะไม่รู้ตัวตเนื่องจาะมันอยู่ในนั้นมันมีข้อมูลที่ดีๆอยู่เพราะฉะนั้นในคำถามของคุณทิมที่ถามมากระแสเดี๋ยวเนี้มันมีเป็นแบบนี้นะ น, นี่มันก็ใช่อยู่เราก็อย่าไปดราม่าตามกระแสนั้นนะเพราะว่าตรงนั้นมันมีบางจุดบางประเด็นที่เป็นอย่างนั้นมันก็มีแต่ตอนนี้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วนะให้แยกแยะแจกแจงแบ่ ง, บงชั้นของข้อมูลให้ถูกต้องเราก็จะเข้าใจความเพราะฉะนั้นการศึกษานั้น เราก็ศึกษาส่วนไหนมีประโยชน์เราก็เอาส่วนไหนข้อมูลมันขัดแย้งไม่น่าไว้วางใจเราก็ยกไว้ก่อนในการกระทำแบบนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับการศึกษาของเราวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอาภิปุณโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็กขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันรุ่งนี้จเจริญบ่อน